วันสำคัญของพระพุทธศาสนามีอยู่สามสี่วันด้วยกันแต่ที่สำคัญจริงๆก็มีอยู่สามวันคือวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเป็นวันที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและเกี่ยวกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าคือเป็นวันของพระรัตนตรันั่นเองคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วันเหล่านี้เป็นวันที่มีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาจริงและเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญ ที่มีความหมายต่อพระพุทธศาสนาเพราะองค์เพราะเพราะพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาได้และตั้งอยู่ได้ก็ก็จากการมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นีเองมีพรารตนาตรถ้าไม่มีพรารตนาตร พระพุทธศาสนาของพวกเราที่พวกเรากลาวไหวบูชาเคารพนับถือเรื่อมใสศรัทธานี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาได้การที่มีวันสำคัญเหล่านี้เป็นการให้เราได้ศึกษากันนั่นเองให้เราได้ศึกษาที่มาของพระพุทธศาสนาที่มาของ องค์ประกอบของพระพุทธศาสนาองค์ประกอบที่สําคัญองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนก็จะไม่มีตามมาพระอริยสงสาวกก็ไม่มีตามมาพระพุทธศาสนาที่พวกเรา มีอยู่กันทุกวันนี้ก็จะไม่มีตามมานั่นเองดังนั้นบุคคลแรกหรือพระรัตนไตยองค์แรกที่สําคัญที่สุดก็คือการปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาพระพุทธเจ้านี้คือใครมาจากไหน เราก็มีประวัติศึกษากันพระพุทธเจ้าก็มาจากคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้เองคนที่มีกิเลสตัณหามีความทุกข์อย่างพวกเรานี้แต่ท่านมีความสามารถพิเศษมีความสามารถที่จะค้นคว้าหาวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้รู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสรู้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่มีความทุกข์ต่างๆภายในใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าพวกเรานี้กําลังเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้กันว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดกันแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่า ชาวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรหรือว่าตะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในพบต่างๆของสังสารวัตรในการมาพบในรูปพบและในอรูปพบในการมาพบ ก็คือภพของผู้ที่เสพกามอย่างพวกเราคือภพของมนุษย์ของเทวดาภพของเดรัจฉานภพของเปรตของอสุรกายและภพของนรกนี่เป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเสพกามเสพกามคือเสพกามมคุณห้า กามนี้แปลว่ากามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพัพระเมื่อเสพแล้วก็ติดเหมือนคนติดยาเสพติดพอยาเสพติดหมดก็ต้องไปหาซื้อยาเสพติดใหม่พอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังติดยาเสพติดคือยังติดรูปเสียงกลิ่นรสก็จะกลับมาเกิดในกา ม, มาพบใหม่ จะเกิดในพบไหนมีพบของเทวดาของมนุษย์ของเดรัจฉานของเปรตก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ได้ทำเอาไว้พระพุทธเจ้าของพวกเราก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้คือท่านจะเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเรา ผู้ที่เวียนไหวตายเกิดนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงพบหนึ่งของพบที่เราเวียนไหวตายเกิดกันบางทีเราก็ได้ร่างกายของมนุษย์บางทีเราก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าเราไปทำบาปอันนี้ผู้ที่มาได้รับร่างกายต่างๆนี้ คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ยังมีความอยากในการเสพกามเสเพลูกเสียงกลิ่นรสผลถะก็จะไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้เสเพลู่เสียงกลิ่นรสผลถะกัน แต่การมีร่างกายมันก็เป็นปัญหาเพราะร่างกายไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือของเดรัจฉานมันก็ไม่เที่ยงคือมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีแก่มีเจ็บมีตายมีเกิดก็มีทุกข์เพราะว่าเกิดมาแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆอยู่เฉยๆก็มีอาหารกินมีอะไร ดูแลรักษาต้องไปหากันต้องเล่นลนขวนขวายหากันต่อสู้กับภัยต่างๆเพื่อความอยู่รอดของชีวิตนพระพุทธเจ้าพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้เป็นราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินในเบื้องต้นก็ได้ เสพได้สัมผัสความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพปาจากร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็มีแต่ความสุขเป็นส่วนใหญ่แต่วันหนึ่งพระองค์ก็ได้ทรงไปเห็นความเป็นจริงของร่างกายว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปในที่สุด เมื่อทรงเห็นว่าถ้าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายความสุขที่เคยได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพก็จะหายไปเพราะจะไม่สามารถเสพได้ก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายเหตุนี้เองที่ทำให้พระองค์นี้มีความไม่ พอใจกับการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็เลยทรงเห็นนักบวชที่เป็นพวกที่พยายามค้นหาวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันพร้องก็เลยตัดสินใจออกบวชไปอยู่กับพวกนักบวช เพื่อไปเรียนวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีนี้ทุกคนก็กําลังค้นคว้าหากันพระองค์ก็เลยต้องส่งค้นคว้าหาเองไปถามใครก็ไม่มีใครรู้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักบวชถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่กําลัง ศึกษาค้นหาวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็ยังไม่มีใครคนพบเนะพระองค์ก็เลยต้องทรงขวนขวายศึกษาค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกอยู่หกปีด้วยกันจนในที่สุดก็ได้ส่งค้นพบวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคาว่าพุทธเจ้าก็คือผู้รู้พุทธแปลว่าผู้รู้รู้รู้อะไรรู้ทางสู่การดับทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าก็แปลว่าพระเจ้าที่รู้ทางสู่การดับทุกข์เรายกย่องคนแบบนี้เป็นพระเจ้าเป็นเจ้าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อน เราก็เลยเรียกท่านเป็นเจ้าถ้าพวกฝรั่งเขาแปลก็จะไม่เรียกพระพุทธเจ้าก็ เ, าเรียกสุบูตาอย่างเดียวคือเรียกว่าเป็นผู้รู้อย่างเดียวแต่เราไป็นชาวไตเรามีขนบธรรมเนียมมีสังคมของกษัตริย์เราก็เลยต้องยกย่องในฐานะที่ท่านเป็น เป็นกษัตริย์ก็เลยต้องใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับกษัตริย์เราก็ได้เรียกท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราไปอ่านหนังสือต่างอังกฤษนี้เขาจะเรียกท่านว่าพุทธบุฎา the Buddha แต่เราในสังคมที่มีกษัตริย์ เรายกย่องกษัตริย์เราใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกษัตริย์เราก็ได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเราก็แปลว่า the ด o ะ d b u บู h a มี o อ d คำว่าลอ d ก็แปลว่าพระเจ้าอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าฝรั่งเขาแปลเขาจะไม่มีเดอ r ลอสเขาจะแปลเดอะบู h a อันนี้คือ ที่มาของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความสำคัญต่อสัตว์โลกทั้งปวงอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ส่วนใหญ่พวกเราจะติดอยู่ในกามมาพบกันพราะเรายังเสพกรรมกันพวกที่ไม่ติดอยู่ในกามมพบแต่ติดอยู่ในรูปภพกับอรูปภพก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนี่เอง พวกนักบวชนี้เขาจะถือศีล8ศีลสิบศีลละสองเขาจะละเว้นการเสกกรรมเขาจะเสกความสุขที่ได้จากความสงบคือการนั่งสมาธิเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆเข้าสู่รูปฌานและอรูปฌานถ้าเขาเข้าสู่ฌานระดับรูปฌานได้ เขาก็จะไปเกิดในรูปภพเรียกว่าภพของพรหมพรหมที่มีรูปเรียกว่ารูปภพแล้วถ้าเขาเข้าสู่ชาญระดับอรูปรชาญได้เขาก็จะไปเกิดในอรูปภพคือภพของอรูปรพรหมพรหมที่ไม่มีรูปแต่ภพเหล่านี้เป็นภพที่ไม่ถาวร เมื่อเข้าไปถึงแล้วไม่นานก็จะต้องเสื่อมลงมาเข้าไปถึงอรูปภพได้อยู่ได้อยู่สักระยะหนึ่งอาจจะหลายหมื่นปีแล้วก็ต้องเสื่อมลงมาสู่ขั้นรูปภพจากขั้นรูปภพก็จะเสื่อมลงมาสู่ขั้นกามภพขั้นกามภพที่สูงสุดก็คือภพของเทวดาทั้งหลาย พอจากพบของเทวดาลงมาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้ามาทำบาปในขณะที่เป็นมนุษย์มากกว่าทำบุญเวลาตายไปบาป ท, ที่มีมากกว่าบุญก็จะดึงให้ลงไปต่ำกว่ามนุษย์อีกให้ลงไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไม่เช่นนั้นก็ให้เป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ ที่เรียกว่าเปรตบ้างอสศุลกายบ้างหรือสัตว์นรกบ้างนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบได้ตัดสรู้คาว่าตัดสรู้ก็คือค้นพบนั่นเองรู้ทางสู่การยุติของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะรู้ว่าเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรนั่นเอง ที่พาให้สัตว์โลกอย่างพวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างไม่หยุดไม่หย่อนก็คือความอยากสามข้อด้วยกันความอยากข้อที่หนึ่งก็คือกามตัณหานี่ความอยากที่จะเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็จะพาให้เรามาเกิดในกามะพบถ้ามีภาวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็น อ, อยากเป็นรูปประพรมก็จะไปเกิดก็จะไปเสเอรูปฌานกันก็จะไปเป็นรูปประพรมรูปประพรมเวลาตายไปแล้ว้อที่สามวิภาวะตัณหาความความอยากไม่มีอะไรเลยเ ว่าความไม่มีอะไรความว่างนี้มีความสุขมากเรียกว่าพวกนี้อยากจะเข้าสู่อรูปปฌา น, เ, นเสดปรอรูปปฌานตายไปก็จะไปเกิดในอรูปปภพเนี่ยกามาตนะหาภาวตันหาวิภาวะตันห า, ะะ น, หานี่ยสามตัวนี้เป็นตัวที่พาให้ไปสู่สามภพกามาตัะหาไปสู่กามาภพ วิภาวะตัณหาไปสู่รูปภพและวิภาวะตัณหาไปสู่อรูปภพนี่คือพบต่างๆที่ดวงวิญญาณของสัตว์โลกอย่างพวกเราจะไปกันสมมุติชาตินี้เรามาพบกับนักบวชแล้วเราไปศึกษากับนักบวชเขาสอนเขารู้จักวิธีเข้ารูปฌาน เราไปฝึกรูปประชาญกับเขาเราเลิกเสพกามเราไปบวชกับเขาเป็นพระเป็นแม่ชีเขาสอนวิธีเข้ารูปประชาญมีอยู่สี่ขั้นถ้าเราเข้าได้เวลาตายไปเราก็จะไปเกิดในรูปรูปภพคือภพของรูปประพรมถ้าเราไปเจอนักบวชที่เก่งกว่าขั้นรูปประพมคือ สามารถสอนให้เราเข้าสู่ขั้นอรูปประพรมได้อรูปประชานได้ตายไปเราก็จะไปเกิดในอรูปประพบไปเกิดในพบของพรมที่ไม่มีรูปแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปหลังจากที่ได้เสื่อมลงจากสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าอันนี้เราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระพุทธเจ้าจะสอนวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในไต่ภพอีกต่อไปก็สอนให้เราตัดความอยากทั้งสามนี้เองให้เรามาตัดการมตันหาภวะตันหาและวิภาวะตันหา ถ้าเราสามารถตัดตันหาทั้งสามนี้ได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายเพราะผิต่อไปอนนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุในระยะแรกๆที่ได้ทรงตัดสรุนี้ยังไม่มีความขวนขวายที่อยากจะเอาไปสอนใครพระทรงเห็นว่ามันเป็นวิธี ที่ยากมากสำหรับสัตว์โลกทั่วๆไปที่จะปฏิบัติตามได้พอทรงเห็นสัตว์โลกทั่วๆไปนี้ติดอยู่ในกามมรสุขกันติดอยู่ในการหาความสุขจากการเสพกามกันเสพรูปเสียงกลิ่นรสปทภะเลยมองไปที่ไหนก็มีแต่คนเสพกามทั้งนั้นไป สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี้ก็ที่เสพกามโรงมหาลศกก็เป็นที่เสพกามเโรงคอนเสิร์ตต่างๆมีการแสดงคอนเสิร์ตมีการร้องนำทำเพลงเล่นระเบียอะไรต่างๆก็เป็นการเสพกาม ร, ร้านอาหารต่างๆก็เป็นที่เสพกามเงินบาร์ผับต่างๆก็เป็นที่เสพกามกันะ โรงแรมต่างๆก็เป็นที่เสพกามกันอ่า น, นี่เมื่อมองเห็นไปมองพิธีไหนก็เห็นแต่พวกที่เสพกามทั้งนั้นก็เลยไม่รู้จะไปสอนเขาอย่างไงไม่ให้เขาเสพกามตอนต้นก็เลยทรงท้อพระทยว่าไม่สอนดีกว่าสอนแล้วเหนื่อยสอนให้พวกบ้ากามให้หยุดบ้ากามนี่มันคงย า, ยากคนง่าๆยๆ สอในใหพวกที่ติดยาเสพติดให้มันเลิกติดยาเสพติดเนี่ยมันยากมันมีแต่บ้ากันมีแต่จะสร้างของพวกนี้มากขึ้นขนาดเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ย, ยังพยายามอยากจะสร้างบ่อนคาสินโนกันอยากจะสร้างเออ่สถานที่เสพกามกันพระพุทธเจ้าในระยะต้นก็เลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะโดนเขาขับไล่สายส่ง ไปสอนให้กับพวกที่เขาไม่สนใจที่จะฟังแต่หลังจากที่ได้คิดอย่างนั้นก็มีเท้ามาหาพรหมได้มาขออาาธนาให้ได้โปรดเมตตาบทสัตว์โลกที่มไม่ใช่เหมือนที่มีไม่เหมือนกันทุกคนมีพวกที่ไม่บ้าเสพกามก็มีเหมือนกัน แต่อาจาจะมีน้อยหายากแต่ยังพอมีอยู่ขอได้โปรดย า, เ, าเก็บทาอันประเสริฐนี้ไว้กับพระองค์เองเลยขอให้มีความเมตตาต่อสัตว์โลกผู้ที่มีความสามารถที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้เถิดหลังจากที่ได้รับการอาราธนาก็ทรงมีความสงสารต่อสัตว์โลก มีความเมตตาต่อสัตว์โลกก็เลยทรงพิจารณาแยกแยกสัตว์โลกต่างๆว่ามีกี่กลุ่มกันกลุ่มไหนที่พอที่จะสั่งสอนได้ก็เลยแบ่งไว้เป็นสี่กลุ่มที่เราเรียกกันว่าบัวสี่เหล่านี้บัวสี่เหล่านี้ก็มีความมีการพัฒนาที่ไม่เท่ากันบัวที่ อยู่เหนือน้ำนี้เป็นบัวที่พัฒนาขึ้นมาได้ไกลที่สุดแต่ยังไม่บานรอเพียงแต่ให้มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาในายามเช้าบัวที่โผล่เหนือน้ำขึ้นมาก็จะบานขึ้นมาได้นี่เป็นบุคคลบุคคลกลุ่มเป็นบัว กลุ่มแรกบุคคลที่ตรงกับบัวกลุ่มแรกก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนี้เองพวกนักบวชที่กําลังค้นหาทางหลุดพ้นอยู่เหมือนกับที่พระองค์กําลังค้นหานั้นพวกนักบวชนี้เขาเป็นพวกที่มีศักยาภาพพร้อมที่จะรับพัตธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พร้อมที่จะนําเอาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นได้เพราะเขามี คุณสมบัติที่พร้อมเหมือนกับบัวที่พร้อมที่จะบานแล้วบัวที่อยู่ยังไม่โผล่เหนือน้ํานี่ไม่มีวันที่จะบานได้ถึงแม้ว่าจะมีแสงสว่างดวงอาทิตย์แต่แสงสว่างก็ไม่สามารถทําให้บัวที่ยังอยู่ใต้น้ําให้บุให้บานขึ้นมาได้บัวที่จะบานได้นี้ต้องอยู่เหนือน้ําแล้วก็คือพวกนักบวชที่ได้ ที่มีศีลบริสุทธิ์และได้ฌานขั้นต่างๆแล้วได้สมาธิขั้นต่างๆแล้วขาดเพียงขั้นสุดท้ายคือปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดพอศีลสมาธิปัญญาจะเป็นผู้กำจัดกามาตัณหาภาวะตัณหา และวิภาวะตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เลยส่งแยกกลุ่มนี้ไว้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่พระองค์จะมุ่งไปโปรดเป็นกลุ่มแรกก่อนเพราะพวกนี้จะสอนง่ายบรรลุเร็วพูดปั๊บก็บรรลุได้เลยไม่ต้องเสียเวลามากแล้วต่อไปพระองค์จะได้ใช้พวกนี้มาช่วยเผยแผ่สั่งสอนทำอีกต่อไป น, นี่คือกลุ่มที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาคือพวกที่เป็นนักบวชพวกที่มีศีลบอยสุดแล้วได้ฌานได้สมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่รู้จากอริยาาสัจสี่นั่นเองถ้าพระ อ, องค์ทรงสอนอริยาาสัจสี่ให้กับเขาเขาก็จะสามารถน้อมนำเออกไปปฏิบัติได้ทันที แล้วก็หลุดพ้นได้ทันทีบรรลุธรรมได้ทันทีในยุคแรกๆพระพุทธเจ้าเลยมุ่งไปสู่พวกนักบวชนี้ก่อนส่วนอีกสามกลุ่มนี้กลุ่มรองลงมาก็เป็นพวกนักบวชเหมือนกันมีศีลบริสุทธิ์แต่ยังไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิยังกำลังหัดนั่งสมาธิฝึกสมาธิอยู่พวกนี้เป็นกลุ่มที่สองที่จะไปสอนต่อไป ส่วนกลุ่มที่สามนี่ก็เป็นพวกคลวาดญาติโยมที่มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องของบุญของบาปในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังไม่สามารถที่จะไปเป็นนักบวชได้ตรกนี้ก็เป็นพวกที่สามที่พระองค์ทรงพิจารณาว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ยังสอนได้ส่วนพวกกลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกที่บรรคาลวทผู้ครองเรือนแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องของการเกิดแก่เวียนว่ายตายเกิดคิดว่าตายแล้วศูนย์พวกนี้ก็เลยไม่สนใจที่จะทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมคิดเอาแต่ความสุข ที่เกิดจากการเสพกามพวกนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายที่พระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นกลุ่มที่แสงสว่างแห่งธรรมนี้ไม่สามารถเข้าไปถึงได้เพราะถ้าสอนเขาเขาก็จะปฏิเสธไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องตายพบลนเรื่องสังสารวัฏไม่เชื่อเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ตรนี้ก็เป็นกลุ่มสุดท้ายที่เป็นพวกที่เรียกว่าบัวที่อยู่กับโคลนต่อมบัวที่อยู่กับโคลนตมนี้มีโอกาสที่จะถูกบูปลากัดกินไปเสียก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาได้ส่วนอีกสามพวกนี้เป็นพวกที่เหนือน้ำอีกพวกหนึ่งพวกที่สองเป็นพวกปริ่มนม้ำรอวันสองวันก็จะโผล่เหนือน้าขึ้นมาได้ ส่วนพวกที่สามเป็นพวกอยู่กลางน้ําอยู่เหนือโคลนตมแล้วโอกาสที่ปูปลาจะกินนี้ไม่ได้ไม่มีแล้วพวกนกี้ก็เป็นสามกลุ่มที่จะมีโอกาสพัฒนาจิตใจของตนให้ก้าวขึ้นสู่ระดับของผู้ที่พร้อมที่จะรับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ะ เมื่อได้ทรงแยกแยกคนสามกลุ่มออกจากกันแล้วรู้แล้วว่าคนจะไปโปรดกลุ่มไหนก่อนโ อ, อ้ก็มุ่งไปโปรดพวกบัวเหนือน้ําก่อนพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วกลุ่มแรกที่นึกถึงก็คือพระปัญจวัคคีย์นี่พระปัญจวัคคีย์นี่เคยติดตามเคยปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้สถานภาพของเขา รู้ว่าพวกนี้มีศีลบริสุทธิ์รู้ว่าพวกนี้มีฌานมีสมาธิขั้นต่างๆถ้าบอกเรื่องปัญญาให้เขาเนี้เขาจะได้บรรลุทันทีแต่ก่อนที่จะคิดถึงปัญจวัคคีย์ก็ทรงคิดถึงพระอาจารย์สองรูปที่พระองค์ได้เคยไปศึกษามาก่อนพอถามสารัทพอ พอสอบถามดูว่าพระอาจารย์สองรูปนี้อยู่หรือเปล่าก็ได้ข่าวแม่ไม่ดีว่ารูปหนึ่งนี้ตายไปเดือนหนึ่งแล้วมั้งอีกรูปหนึ่งเพิ่งตายไปไม่กี่วันนี้พระองค์ก็ทรงมีความรู้สึกเสียใจเพราะว่าเสียดายโอกาสอันประเสริฐอันเลิศโลกสําหรับครูบาอาจารย์สองรูปนี้ท่านก็ต้องไปเกิดอยู่ในรูปะพบอรูปะพบ แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาอีกแล้วเพราะการไปอยู่เป็นพรหมนี้ท่านบอกอยู่เป็นหมื่นปีศาสนาพุทธนี่มีอายุแค่ห้าพันปีเดี๋ยวพอท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ศาสนาพุทธก็หายไปแล้วไม่มีอีกแล้วต้องรอไปพบกับศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ถ้ามีโอกาสมีจังหวะที่จะได้พบกันก็จะได้รับประโยชน์ถ้ายัางไม่ได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแบบเดิมอยู่ต่อไปแต่อย่างน้อยพวกนี้เขาจะเวียนว่ายตายเกิดในสุกติถ้าเคยเข้าสมาธิได้เข้าฌานไ ด, เาานได้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะไปบวชใหม่ไปเข้าฌานเข้าสมาธิใหม่จะไม่ไปเสพกามพวกนี้ ในเมื่อกูบาอาจารย์สองรูปที่พร้อมที่จะรับพระธรรมอันประเสริฐที่ได้ทรงตัดสัตลแล้วตายไปแล้วก็เลยคิดถึงพระปัญจวัคคีห้ารูปที่เคยติดตามรับใช้พระองค์มาแต่ต้องยากทางกันเมื่อพระองค์ได้ทรงหยุดการอดพระกายาหารเนื่องจากทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางสู่การหลุดพน้น แต่พระปัญจวัคคีกลับไปมองในทางว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แพ้กลัวตายต้องอับต้องกลับมารับประทานอาหารเขาก็เลยเสื่อมศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าตีตัวออกห่างแยกทางกันไปไปอยู่อีกที่หนึ่งพอพระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะสอนก็เลยคิดถึงพวกพระปัญจวัคคีก่อนเพื่อน เมื่อทรงทราบว่าอยู่ที่ไหนก็เลยออกเดินทางไปหาพระปัญจวาคีก็เป็นระยะเวลาสองเดือนหลังจากที่ได้ทรงตัดสโรวันวิสาขาบูชานี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสโรทมวันประสูติกับวันนิพพานนี้ไม่สําคัญเท่ากับวันตัดสรรเนี่ยเพราะวันตัดสรรนี้ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่พอดี ความวิเศษของพระพุทธเจ้าทำให้พระองค์นี้มีวันเกิดวันตรัสโลวันตายเป็นวันเดียวกันคือวันเพ่นเดือนหกวันขึ้นสิบห้า่ำเดือนหกที่เราเรียกว่าวันเดือนวิสาขะเราจึงเรียกเดือนวิสาเหตุการณ์ในเดือนวิสาขะว่าวิสาขะบูชาอันนี้คือวันของพระพุทธเจ้าวันปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมา ที่พ้อมสองเดือนต่อมาพอพระเจ้าได้ท่งพร้อมที่จะสั่งสอนเผยแผ่พระธรรมพระองค์ก็เลยเดินทางมาหาพระปัญจวัคคีย์ก็ตรงกับวันขึ้นสิบห้าข่ำเดือนแปดพอดีที่เรียกว่าวันอาสาหะบูชาพอได้เจอกับพระปัญจวัคคีย์ในเบื้องต้นตอนที่ท่งเดินเข้าหาพวกนี้ เขาไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะไม่ ไ, มได้ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าแล้วพอได้แยกทางออกจากกันแล้วเหมือนสามีภรรยาหย่ากันแล้วแล้วอยู่ดีๆมาเจอกันใหม่ไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรดีจะทักทายเขาดีหรือจะเดินหนีแต่พอพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปใกล้เห็นบารมีของพระพุทธเจ้า ทำให้เขานี้รีบเข้าไปกราบทันทีรีบเข้าไปต้อนรับรับข้าวรับของที่ทรงได้ถือมาช่วยพายนิมนต์ให้ท่านไปนั่งตามที่สมควรจัดน้ำจัดอะไรมาต้อนรับเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นว่าเขายังมีศรัทธาอยู่ ก็เลยได้ส่งแสดงธรรมเป็นครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีนี่นี่เรียกว่าวันของพระธรรมคําสอนเป็นวันปรากฏของพระธรรมคําสอนขึ้นมาเป็นครั้งแรกโลกได้ยินได้ฟังธรรมได้แสงสว่างแห่งธรรมก็คือวันอาสาหะบูชานี้เอ และหลังจากที่ได้แสดงธรรมแสงอริยสัจสี่แสดงมรรคแปดให้กับพระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกนทัญญาก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกฟังห้าคนแต่บรรลุคนเดียวก่อนอีกสี่คนยังไม่ฉลาด ยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจแต่หลังจากเอาไปพิจารณาถึงจะบรรลุตามมาต่อไปแต่ครั้งคนเดียวเท่านั้นได้บรรลุในขณะที่ฟังทำรรคือพระอัญญาณกุณฑัญญาคือทรงเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเห็นอ น, นิจจังว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา คือสังขานรนางกายนี้มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดามีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาผู้ที่เห็นแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายไม่จะไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราพอไม่ยึดไม่ถือพอปล่อยวางได้ก็พ้นจากความทุกข์ที่เคยมีกับร่างกาย ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายตั้งแต่บัดนั้นไป yeah. วันนั้นก็เลยเป็นวันที่มีพระรัตนนาตายปรากฏขึ้นมาพร้อมกันสามองค์มีพระพุทธเจ้ามิแสดงธรรมมีผู้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกวันนั้นก็เลยถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีพระพุทธศาสนาครบองค์ถ้าเป็นเด็กก็มีอาการสาสิบสองครบอยู่ในท้องแม่ถึงเวลาที่คลอดออกมาได้นะเก้าเดือนหลังจากที่ตั้งคันอยู่เก้าเดือนก็คลอดออกมาศาสนาพุทธหลังจากที่ตั้งคันอยู่สองเดือนคือตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดจารพระธรรมจนถึงวันที่ทรงประกาศ พระธรรมคำสอนก็เป็นระยะเวลาสองเดือนพอสองเดือนพระพุทธเจ้าก็พร้อมที่จะแสดงธรรมผู้ฟังก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาแต่วันนี้เราวันอาสาบูชานี้เราถือว่าเป็นวันธรรมะ เพราะว่าเราจะมีอีกวันหนึ่งที่เราจะถือว่าเป็นวันของพระสงฆ์ของพระสังฆะคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้โปรดพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเทศนาพระธรรมอยู่สองสามครั้งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปก็บรรลุเป็นพระอาหารหันยุติการเวียนว่าตายเกิดได้พอบรรลุแล้วเขาก็ขอกล่าวเป็น ขอบวชกับพระพุทธเจ้าใหม่ขอบวชในศาสนาพุทธเนี่ยพระที่เป็นพระรุ่นแรกในศาสนาพุทธก็คือพระปัญจวคีนีน่การบวชสมัยนั้นก็ง่ายมากเพียงแต่ให้นุ่งหม่มแล้วก็กรรีษะนุ่งห่ม ผ้าเหลืองโกนศรีรษะแล้วก็ไปขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอบวชพระพุทธเจ้าก็บอกเอหิภ e ิก e ขุแปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดผู้ท่านนี้ก็ถือว่าได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วคำว่าภิกษุก็แปลว่าผู้เห็นภายในวัตฏสงสารนี่เองผู้เห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิด พอเขาได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก็สั่งให้เขาแยกทางกันไปเผยแผ่ธรรมไม่ให้ไปด้วยกันให้แยกกันไปทางทิศละทางทิศละคนเพื่อที่จะได้เอาคําสอนไปไปเผยแผ่ได้กว้างขวางถ้าไปเป็นกลุ่มมันจะกระจุกอยู่ที่เดียวเพราะว่ารู้ด้วยกันห้าคน ถ้าไปจุดเดียวก็สอนคนกลุ่มเดียวกันแต่ถ้าแยกไปห้ากลุ่มห้าทางก็จะไปสอนคนได้อีกห้ากลุ่มด้วยกันทุกครั้งที่มีคนได้บรรลุธรรมและขอบวชพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปสแสดงไปเอาธรรมอันประเสริฐนี้ไปสอนผู้อื่นด้วยให้การแยกไปคนละทิศละทางเนี พอสอนพนระปัจจวัคคีเสร็จท่านก็มุ่งไปสู่สำนักของนักบวชต่างๆพอไปแสดงทำให้ผู้ที่อยู่ในสำนักนั้นก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งสำนักเลยมีสำนักหนึ่งมีอยู่ห้าร้อยรูปได้กันพอแสดงทำเสร็จพระที่ฟังอยู่ห้าร้อยรูปนักบวชที่ฟังอยู่ห้าร้อยรูปนั้นก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด พอบรรลุก็ขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกเอหิพิกุเอหิพิกุสัมปทาแปลว่าการบวช ด, ด้วยคำกล่าววาจาว่าจงมาเป็นภิกษุเถิด น, นี่คือการบวชในระยะแรกๆของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้แล้วก็บวชง่ายไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมาสวดให้มันเหมือนมันสมัยนี้ สมัยนี้กว่าจะบวชได้นี่ต้องสวดไม่รู้กี่รอบกี่จบต้องมีพระอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปถึงจะสามารถบวชพระได้แต่สมัยยุคเบิกบุกเบิร์ดนี่ง่ายมากมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามาเป็นภิกษุเถิดเพราะพวกที่บวชนีน่เป็นพวกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งนั้นก็เลยไม่รู้จะต้องสอนอะไรอีก เพราะเขารู้หมดแล้วออก็เลยไม่ต้องสอนอะไรเพียงแต่บอกว่าให้มาเป็นภิกษุเถินพอเป็นแล้วก็ให้แยกกระจายกันไปอย่าอยู่ที่เดียวกันให้กระจายกันออกไปตามทิศ ต, ต่างๆเพื่อจะได้เอาธรรมะนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนออพอพวกนี้ไปเขาก็ไปสั่งสอนพวกนักบวชตามสำนักต่างๆตามสถานที่ต่างๆกันก่อนก็ ปรากฏมีพวกนักบวชเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอนันต์กันขึ้นมาเป็นจํานวนมากเลยเนี่ยพอถึงวันมาค้าบูชาที่ผ่านมาเนี้ยวันเพ็ญเดือนสามก็รวมเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงทำครั้งแรกคือวันเพ็ญเดือนแปดจากเดือนแปดมาถึงเดือนสามก็เจ็ดเดือนแปดถึงสิบสองก็สี่ บวกกับอีกสามก็เป็นเจ็ดนะก็มาถึงวันมาคาบบูชาวันที่พระสาวกเหล่านี้ที่ไปเผยแผ่ธรรมะตามสารทิตต่างๆเกิดมีความศรัทธาอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันโดยไม่ได้นะัดหมายกันก็มีมาเฝ้าถึงอย่างน้อยหนึ่งพันสองรอยห้าสิบลูกเนี่ยพวกนี้ก็เป็นพระที่พระพุทธเจ้า บวชให้ทั้งนั้นที่เรียกว่าเอหิพิกุลแล้วก็เป็นพระอารหันต์ทั้งนั้นวันมาฆะเราเลยถือว่าเป็นวันของวันที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับพระสังฆรัตนะเพราะเป็นวันที่เราได้เรียนรู้ว่ามีพระอารหันต์อย่างน้อยต้องหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบโลก ไม่ใช่หาง่ายเนะพระ้านั้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปสมัยนี้หาได้สักสามรูปสี่รูปกว่าหายากแต่สมัยนั้นเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นเองของการประกาศเผยแพ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูปมาชุมนุมกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องราวที่เป็นสาระ ที่จะทำให้พวกเราได้รู้ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาว่าเป็นมาได้อย่างไรเกี่ยวเกี่ยวข้องกันอย่างไรวันวิสาขะเกี่ยวข้องกับวันสาระบูชาเกี่ยวข้องกับวันมาคะบูชาอย่างไรถ้าเราไปศึกษาประวัติก็จะรู้ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เป็นเป็นช่วงแต่ละช่วงของการ ปรากฏขึ้นมาของพระพุทธศาสนานั่นเองวันแผ่นเดือนหก็ปรากฏพระพุทธเจ้าขึ้นมาวันเผ่นเดือน8ก็ปรากฏพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาวกขึ้นมาวันมาค้าบูชาก็เป็นวันที่พระอริยสงสาวกพระาลานตัสสาวก1250หรูปมาชุมนุมกัน อันนี้ถ้าได้ศึกษาแล้วจะทำให้ผู้ที่ลังเลสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะหายสงสยัยไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียถ้าได้ศึกษาประวัติแล้วเข้าใจความเป็นมาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะไม่สงสยัยจะมีศรัทธามีความเลื่อมใส จะมีความยินดีที่อยากจะบวชกันพอเห็นว่าการบวชการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนานี้มันไม่ใช่ของยากเย็นเลยพวกที่บรรลุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนี้ถือว่าเป็นพวกที่จบภายในไม่เกินเจ็ดเดือนเพราะในภายในเจ็ดเดือนนี้มีพระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปแล้วแสดงว่าพวกนี้ต้องจบภายในเจ็ดเดือน ตามหลักที่พเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ทงรับประกันว่าถ้าใครปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วนี้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแต่พวกนี้อยู่ในกลุ่มของเจ็ดเดือนบนรรลุ ก, ก่อนเจ็ดเดือนทั้งนั้นบางพวกก่อนเจดวันจะได้ซ้าไปพอฟังครั้งเดียวก็บรรลุ ก, กันเลยเหมือนถ้าเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วมันจะทาให้เรารู้สึก มีหวังมีความหวังมีกจิตกรจใยถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไปคิดว่าโอ้ยการเป็นผ้าหลันนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายสมัยนี้หายากไม่มีแล้วที่จะมาเป็นผ้าหลานกันก็เพราะว่าไม่ศึกษาความจริงถ้าศึกษาความจริงมันจะรู้ว่าไม่ยากอกขอให้มี สิ่งที่ทำให้เป็นพระอรหันต์นั่นเองไม่มีก็สร้างขึ้นมาได้ไม่มีใครห้ามไม่ใช่เป็นของที่ต้องเสียเงินซื้อเสียได้ซ้ำไปของพวกนี้เป็นของฟรีไม่มีศีลก็สร้างมันขึ้นมาได้ไม่มีสมาธิก็สร้างมันขึ้นมาได้ไม่มีปัญญาก็สร้างขึ้นมาได้เพราะมันมีคำสอนอยู่ในพระไตรปิฎกมีคำสอนของครูบาอาจารย์พระอระหันต์ทั้งหลายอยู่แล้วมันเป็นไปได้ขอ เพราะทางสู่การหลุดพ้นก็คือศีลสมาธิปัญญาอถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็ตัดกามตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้มันไม่ได้เป็นของลึกลับของยากเย็นตรงไหนเลยถ้าท่านลองได้ศึกษาแล้วพวกที่บอกว่ายากพวกที่ว่าโอ้ยสุดวิสัยเป็นพวกที่ไม่ได้ศึกษากันเป็นพวกที่คิดกันเอาไปเอง เพราะว่ามันยากเหลือเกินอ ย, อย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้บรรลุนั้นทาอย่างไรแล้วิธีที่จะสร้างเหตุที่จะทาให้บรรลุนั้นสร้างกันได้หรือไม่อย่างไรสร้างได้ไม่ไม่ใช่แต่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนเท่านั้นบางคนก็อ้างว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสอนก็ไม่มีทางที่จะบรรลุได้ ไม่จริงพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าถ้าเราตายไปแล้วคําสอนที่เราได้สอนไว้ที่พวกเราได้บันทึกกันได้จดจํากันไว้นี้จะเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไปจะเป็นศาสดาที่จะสอนให้พวกเธอบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันต่อไปที่จะสอนให้พวกเธอยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้น ดังนั้นถึงแม้เราจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่เรามีตัวแทนของเราที่จะมาคอยสอนคอยบอกพวกเธอขอให้พวกเธอมีความขวนขวายเท่านั้นแหะขอให้ขยันศึกษากันแต่พวกที่บอกว่ามันยากก็เพราะว่าไม่อยากจะศึกษากันไม่ยอมศึกษาไม่ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติก็เลยคิดว่ามันยาก แต่พอมาศึกษาจริงๆเข้าแล้วมันเห็นมันยากอ่ะมีแค่สามวิชาเท่านั้นเลงที่ต้องเรียนที่เรียกว่าไตสิกษาคำว่าศึกษาก็คือวิชานี้ศึกษาคําว่าศิกษาก็คือการศึกษาไตาก็แปลว่าสามการศึกษาสามวิชาด้วยกันวิชาศีลมันยากตรงไหนศีน่านี้ศีลแปดศีน 8, สิบศีลสองอยยิบเจ็ดไปเปิดหนังสือก็อ่านได้ เด็กยังทำได้เลยสัมมาเนยยังทำได้เลยแล้วเราเป็นผู้ใหญ่มีระดับปริญญาตีโทเอ๋กันมันทำไมมันจะรักษาศีลเหล่านี้ไม่ได้เหยเอนะง่ายจะตายไปตอนนี้นั่งเฉยๆก็มีทุกศีลทุกข้อแล้วเนี่ย เ, เวลาเรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรนี่เรามีศีลบริยสุดแล้วแต่จะบริยสุดได้กี่ชั่วโมงเท่านั้น พอแหกปากขึ้นมาเอยปากขึ้นมาก็โกหกกันแล้วพอเคลื่อนไหวทางร่างกายเดี๋ยวก็ไปคว้าขนมของคนอื่นมากินนะอ่าเนี่ยแต่ถ้าเราสามารถควบคุมกายวาจาของเราให้อยู่เฉยๆได้ศีนก็มาขึ้นมารักษาศีนนี้ง่ายกว่าการไม่รักษาศีน การไม่รักษาสีนี้ต้องมีการเคลื่อนไหวถึงจะทำได้จะขโมยของนี่ต้องไปดูขอนว่าของอยู่ตรงไหนเจ้าของอยู่ตรงไหนใช่ไหมการไม่รักการไม่รักขโมยนี่ง่ายกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆทั้งนี้แต่ทําไมกลายเป็นของยากไปก็เพราะใจของเรามันมีตัณหาความอยากนี่อยากได้ของของคนอื่นมันเลยทําให้เราต้องไปขโมยใช่ไหม อยากได้ภรรยาอยากได้สามีของคนอื่นก็ต้องไปประพฤติผิดประเวณีเท่านั้นเองปัญหาของเราอยู่ที่ตัณหาความอยากนี่ที่ทำให้เรารักษาศีลกันไม่ค่อยได้ <S <S <S <ess> <S ถ้าเราไม่มีตัณหาความอยากแล้วสบายเนี่ยตอนนี้ไม่มีความอยากชั่วคราวเป็นยังไง <S ess> <S ess> ตอนนี้ไม่คิดฆ่าใครไม่คิดลักทรัพย์ของใคร <S <S <ess> <S ไม่คิดไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของใคร ไม่คิดที่จะไปโกโหกหลอกลวงใครไม่คิดที่จะไปดื่มสุรายามเมาก็พยายามทํางี้ไปให้มันครบยี่บสี่ชั่วโมงสิพยายามรักษาไปเรื่อยๆอย่าให้มันไปคิดเท่านั้นเองถ้าไม่คิดมันก็ไม่อยากถ้าไม่อยากมันก็จะไม่ทําผิดนะถ้ามาศึกษาจริงๆเอาเวทเข้าจริงๆแล้วรักษาสีง่ายจะตายไปก็ทํากายวาจาให้เฉยสงบเท่านั้นเอง อย่าไปพูดอะไรร่างกายก็อย่าไปเคลื่อนไหวถ้าจะทำอะไรก็ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นเองเช่นทำอะไรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายเราก็ทำไปทำงานทำการไปมีอาชีพสุจริตมันก็ไม่ต้องไปทาบาปอะไรนะสิ่งที่พระเจ้าสอนนสามอย่างนี้มันไม่เหนือวิสัยของมนุษย์อย่างพวกเราที่จะทำกัน สิ่งที่ยากกว่า น, นี้ยังทำกันได้ฮะนะบางคนปีนภูเขาหิมาลัยบางคนนั่งจรวดออกไปนอกโลกยังทำได้เลยแล้วนะให้นั่งเฉยๆไม่ให้พูดไม่ให้ทาอะไรที่เสียหายต่อผู้อื่น่นี้ทำไมทาไม่ได้ถ้าตั้งใจจะทำจริงๆแล้วรับรองได้ว่าทำได้ปัญหาเกิดแล้วไม่ยอมตั้งใจกันยังไม่อยากจะควบคุมบังคับตัวเอง นี่คือปัญหาของพวกเราไม่ชอบถูกบังคับยิ่งเฉพาะตัวเองบังคับตัวเองนี่บังคับไม่ได้เลยถึงต้องอาศัยโรงเรียนเป็นที่บังคับนะเวลาอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่นี่บังคับไม่ได้ตัวเองก็บังคับไม่ได้พ่อแม่ก็บังคับไม่ได้พ่อแม่เลยต้องส่งไปโรงเรียนให้เขาบังคับถึงจะถูกถึงจะบังคับได้พอไปโรงเรียนครูก็บอกให้นั่งก็ต้องนั่งบอกให้เดินก็ต้องเดิน บอกให้ทำอะไรก็ต้องทำตามที่ครูบอกแต่พอกลับมาบ้านเนี่ยพอกลับมาอยากจะทำอะไรก็ทำนะพอบอกพ่อแม่บอกอย่าทำก็ไม่ฟังดื้อไหมดื้อ <c oughs> นี่แหละอำนาจของความอยากมันเลยต้องอาศัยอุบายวิธีต่างๆเพื่อที่จะมาคอยควบคุมมัน ถ้ารักษาสีเไม่ได้ก็ไปบวชสะไปอยู่วัดกันเจรินมาอยู่วัดครั้งละสามวันห้าวันเนี่ยก็จะมีคนมีสถานที่เขาคอยบังคับเราเองเราก็จะไม่กล้าทำเพราะถ้าทำเขาก็ไม่ให้เราอยู่ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถควบคุมกายวาจาของเราได้เราก็ต้องไปให้เขาคนอื่นให้ช่วยดัดสันดานให้กับเราต้องไปอยู่วัดไปอยู่โรงเรียนกินนอน เด็กกินนอนนี่ดีกว่าเด็กที่อยู่บ้านนะเด็กกินนอนมีระเบียบมีวินัยมีศีลไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจทำตามความอยากทำตามเหตุผลทำตามเวลาแต่พออยู่บ้านไม่มีใครครวบคุมบังคับพ่อแม่ก็ไม่กล้าควบคุมบังคับกลัวลูกจะโกรธกลัวลูกจะไม่รักพ่อแม่กลัวจะไม่เคารพพ่อแม่ก็เลยควบคุมบังคับไม่ได้ เลยต้องส่งไปโรงเรียนส่งไปอยู่กินนอนไปดัดจันดานบางทีก็ส่งไปบวชสมัยพุทธกาลนี้สมัยโบราณนี้จะส่งลูกไปบวชกันเยอะ ส, ส่งเด็กไปบวชเนนกันเพราะเวลาเสกกออกมาแล้วโอ้ยนิสัยดีกว่าเก่าเยอะแยะเลยพริกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือมีระเบียบมีวินัยมีความเรียบร้อยมันไม่ยากนะศีล ส, สมาธิปัญญา ขอให้มีคนสอนท่านั้นเองมีคนคอยควบคุมบังคับถ้าเราควบคุมบังคับตัวเราเองไม่ได้ก็ต้องไปหาที่ที่เ้ามีการควบคุมบังคับวิชาไตรสิกานี่ก็อยู่ที่วัดไปบวชกันคนไทยเราจะนิยมบวชกันถึงแม้ว่าจะบวชไม่นานอย่างน้อยก็ยังได้ไปศึกษาได้ไปดัดสันดานบ้างเพราะพวกที่หลังจากบวชมาแล้วรู้สึกว่าจะ จะดีกว่าก่อนบวชเนี่ยเขถึงเรียกว่าบัณฑิตเนี่ยเรียกว่าทิศคําว่าทิศก็มาจากคําว่าบัณฑิตนี่บัณฑิตไอตัวดอไอตัวทอนางมุนโทนี่ภาษาไทยเราเป็นออกเสียงเป็นทอทอทหารมันก็เลยเป็นบัณฑิตไปที่บัณฑิตมันยาวก็เรียกมัอนสั้นๆว่าทิศไปแต่รมบาลีนี้เขาอ่านทอโทนี้ว่าเป็นดอเด็กเขาจะอ่านว่าเป็นบัณฑิต บัณฑิตก็คือผู้ที่มีความรู้นั่นเองผู้ที่ได้จบวิชาต่างๆตบจบไตศิกขาบวชมาสามเดือนก็รู้แล้วว่าศีลสมาธิเป็นอย่างไงเหมือนกับบัณฑิตที่จบปริญญาตีโทเอกเราก็เรียกว่าบัณฑิตเนี่ยแต่ทําไมเราไม่เรียกว่าทิศเนี่ยวุฒิจบปัญญาตีนี่ต้องเรียกทิตยศทิศตีทิศโททิศเอกนะ นี่คือการที่เราได้มีวันสำคัญเหล่านี้มันจะทาให้เรานีได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่มันจะมีคนมีประโยชน์กับตัวเรานั่นเองแต่ถ้าเราไม่สนใจจะศึกษาสมัยนี้ถามว่าวันมาครับเป็นวันอะไรไม่รู้วันวิสาขะเป็นวันอะไรไม่รู้ เป็นวันอาสาหะูชาเป็นวันอะไรไม่รู้ไม่รู้ก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้ก็ไม่มีวันรู้จะไม่มีวันรู้ต่อไปจะไม่รู้ว่าตนเองได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการที่ได้มาพบกับวันวิสาขะวันมาคะวันอาสารหานี่เหมือนกับวันที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกัน ถ้าเรารู้ว่าเราถูกถ้าเราไม่รู้ว่าเราถูกรอตรี่ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ไม่ไปตรวจเนีย่ยตอนนี้มีรางวัลที่หนึ่งของอเมริกาอยู่รางวัลหนึ่งหนึ่งพันกว่าล้านเหรียญยังไม่มีใครมาเคลมยังไม่มีใครมาขึ้นรางวัลเพราะว่าถ้าภายในเดือนเมษาไม่มาขึ้นก็กจบนคนซื้อมันอาจจะลืมไปว่ามันซื้อซื้อแล้วไม่รู้ไปทิ้งไว้ที่ไหนไง คือตายไปแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เงินรางวัลพวกที่ไม่รู้เรื่องวันวิสาขะวันอาสาฬหะวันมาฆะก็เหมือนพวกที่ถูกรตงตลี่แต่ไม่รู้ว่าเอารตรี่ไปทิ <t <t <t <t <t <t <t <t ้งไว้ที่ไหนซื้อมาล้วก็ลืมเอาไปบางทีเผลอไปวางไว้ใส่กระเป๋าหรือใส่ตู้ใส่ไว้ตรงไหนแล้วก็ลืมไปมีนะมีคนบางคนก็เอ พอพอได้ข่าวว่ามีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยังไม่มีใครไปเคลมบอว่าบางคนนี่รีบกลับไปค้นบ้านกันเลยอกูว่าลืมไว้ตรงไหนหรือเปล่าอันนี้วันนี้เรามาได้ฟังแล้วรีบไปกลับไปค้นกันนะพวกเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วลรู้เปล่าไปค้นหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันให้เจอแล้วเราจะได้ไปรับารางวัลได้วิธีรับารางวัลก็ให้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ไตสิกขา ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เดี๋ยวก็ไปรับนางวันได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเป็นผ้าหลานก็เป็นพวกที่มีศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นเนี่ยวานาสาหาบูชาพระปัญจวัคคีย์ก็มีศีลสมาธิพอพระเจ้าแสดงธรรมก็มีปัญญาขึ้นมามีท่านนี้เองศาสนาพุทธง่ายๆไม่ยุ่งยาก พวกเราไปทำให้มันยุ่งยากเองไปทำไอ้เรื่องที่ไม่น่าจะทำกันไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีไปไปสวดไปเป่าไปอะไรไปกันไปอาบน้ำมนต์อาบอะไรกันวุ่นวายไปหมดไม่ใช่เรื่องของพุทธเลยพุทธมีแค่สามข้อนี้เองที่ให้ทำกันไม่ทำกันก็คือให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทนั้นเอง ง่ายจะตายไปของง่ายๆของตรงไปตรงมากับถูกความความงมงายมาความโง่งเงา่าความงมงายมาครอบงามของง่ายๆเนี่ยคนไม่อยากจะเข้าวัดกันโอ้ขั้นตอนมันเยอะแล้วกันต้องสวดกันไม่รู้กี่ชั่วโมงกว่าจะเข้าถึงอพิธีต้องสวดต้องอะไรกันโอ้ยวุ่นวายไปหมดเพราะว่า คนที่รู้ทางของศาสนาจริงๆมันไม่มีซะแล้วมีก็น้อยมีแต่คนที่ไม่รู้ทางของศาสนามาสอนกันก็เลยสอนออกนอกรูนอ ก, ก, นอกทางอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ <Yeah. S 1> ก็เลยไปไม่ถึงไหนกันอยงนั้นถ้าเราอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งรีบไปค้นหาลอตเตอรี่นะพวกเราถูกลอตเตอรี่กันเนี่ยอยู่ที่วันวิสาขะอยู่ที่วัน อาสาละหะอยู่ที่วันมาฆาบูชาเนี่ไปศึกษาความเป็นมาของวันเหล่านี้แล้วเราจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าวิธีที่เราจะทำให้เราได้รับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือนิบบานังปรมังสุขขงังนี่ทำอย่างไรความสุขของพระพานิพานเรียกว่าบร ม, มสุขเป็นความสุขที่สุดยอด เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง<อ>เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองนี่คือเรื่องของวันสำคัญต่างๆของทางพระพุทธศาสนาที่พวกเราควรจะอนุรักษ์รักษากันไว้กวว่าต่อไปทางราชการจะไม่ส่งเสริมนะต่อไปอาจจะไม่มีวันหยุดในวันสำคัญเหล่านี้ก็ได้เพราะเริ่มมีการรับศาสนาอื่นเข้ามา ในประเทศก็ต้องให้ความเสมอภาคกันก็อาจจะอาจจะถูกกล่าวหาว่าไปเข้าข้างาศาสนาพุทธไม่เอื้อเฟือต่อาศาสนาอื่นถ้ามีวันหยุดราชการของาศาสนาพุทธต่อไปก็ต้องมีวันหยุดราชการของาศาสนาอื่นต้องมีวันของอิสลามต้องมีวันของคริสเดี๋ยวต่อไปวันหยุดก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด แต่หยุดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะความจริงเขาหยุดเพื่อให้เรามาศึกษาให้เรามาหาความสำคัญของสะวันหยุดเหล่านี้ว่าเป็นวันอะไรแต่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของบุญกรรมไปเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้หน้าตอนของโลกยกมันเปลี่ยนไปความจเจริญทางวัตถุมันมากขึ้นมันก็มาทำลายความจเจริญทางด้านจิตใจทางด้านศาสนา ก็ขอให้เราอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้มาทำลายความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพวกเราก็แล้วกันเขาจะไม่สนับสนุนก็เรื่องของเขาและขอให้เราสนับสนุนของเราไปเพราะผู้ที่จะได้รับประโยชน์ก็คือเรานั่นแหละไม่ใช่ใครศาสนาไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่พวกเราไปสนับสนุนศาสนา ศา ส, สนามีไว้สำหรับเป็นที่พึ่งของพวกเราถ้าพวกเราไม่สนับสนุนที่พึ่งต่อไปเราก็จะไม่มีที่พึ่งทั้งนั้นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวารีวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกา ป, ปติ ทีติต่างปฏิต่างตุ่มหังคิปบ้าเมวะสะมิตชาโตสะเพโปรเณตุสรางกัปา จันโทปนะราโสยทามณนีจุดิราโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาธนาสีิตสานิจจาวุฒาปจายโนจตารโหธรมมวัานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ค่ะจาก f ฟ c e b o o สามร y อยเจ็ดสิบเก้ายูสองร้อยเจ็ดสิบหกวิทยุออนไลน์สามสิบเอ็ดผู้รับฟังบนเขา6หกสิบสองรวมเจ็ดร้อยสสิบแปดท่านค่ะอืมนน้นแต่เจ็ดร้อยแล้วนะใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ถ้าอยากจะถามเองก็ขอให้พูดผ่านทางไมโครโฟนคนจะได้ยินเสีย ง, ง, งพูดใกล้ๆปากน่น้องกราบข อ, <c oughs> อใกล้ๆปาก่น้องกราบขออนุญาตกราบเรียนถามนะคะคื อ, อถ้าเรามีเห็นการกระเพื่อมของจิตแล้วเราก็ตามปกติก็จะ ดูว่าเพราะอยากอะไรถ้าเป็นยินดีหรือยินร้ายแล้วก็พยายามจะหามาชี้มาอันนี้เมื่อวานนี้ตอนคนะอน่ำก็เหมือนจะมีไมโครชิปเล็กๆเจ้าค่ะที่ภายในจิตพูดใกลๆปากนะเมื่อวานตอนค่ำก็เหมือนจะมีไมโครชิปเล็กๆแล้วก็มีความสังไหวของจิตเจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าตัว และความหลากที่เป็นสิ่งที่เป็นอตุศลเนีก็ทำให้เราสามารถจะนำไปงไงให้ความกระทบกระเทือนได้เจ้าค่ะก็อยากจะกราบเรียนถามว่าเวลาเรามีความว่าพบความกับเพื่อมของจิตเราจะใช้เป็นสาเหตุใช้เป็นสาเหตุของการเจริญปัญญาอย่างไรดีเจ้าค่ะ อ๋อเรายังไม่มีสติถ้ามีสติมันก็หยุดกับเพิ่มได้ใช่ค่ะการใช้ปัญญานี้ใช้เพื่อกําจัดมันไม่้มันกัเพิ่มเลยแต่ก่อนที่จะกําจัดมันด้วยปัญญาต้องหยุดมันด้วยสติก่อนเหตนไปฝึกสติให้มีกําลังพอเห็นมันเพิ่มปั๊บต้องหยุดมันให้ได้แล้วถึงจะค่อยไปใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไร ยังไม่มีสติมันพิจารณาไม่ได้พิจารณาก็หยุดกับเพิ่มไม่ได้ถ้าสมีสติที่เข้มแข็งก็จะไม่ไม่กับเพิ่มเลยเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มันก็เพิ่มแต่มันจะหยุดได้ไงพอมันกับเพิ่มปั๊บก็หยุดมันได้เหมือนรถพอมันจะวิ่งก็หยุดก็หยุดมันได้อันนี้กับเพิ่มอยู่เพียงแค่แวบเดียวแล้วก็หายไปเจ้าค่ะเออหายไปก็หายไปก็ป ก, ก็ถ้ามันหายไปแล้วก็ก็พิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเกิดขึ้นมาด้วยอะไรเจ้าค่ะ มันก็มีการมาตัญหาสาตัญหาสามตัวเนี้ที่พาให้เกิดยอย่างใดอย่างหนึ่งคีอตามปกติตาม ป, ก ต, ตามปกติมาขับบูชาแล้วก็วันบัตรบัตรเทโอแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกาก็จะมาที่นี่เจ้าค่ะส่วนวิสาขาและในพรรษาก็จะไปอยู่กับหลวงปู่ใหญ่เสร็จ แ, แล้วเมื่อวานมีน้องสงขาบอกว่าหลวงปู่ใหญ่เทศตั้งแต่ตีสามครึ่งถึงหกโมงใจมันว่าอยากฟังธรรม ก็ขนาดอย่างนี้ก็ยังทําให้คลิกกริ๊กขึ้นมาได้เจ้าค่ะแต่ว่าถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็จะไม่เห็นตรงนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยรสึกว่าเออเราก็ต้องคือทําอย่างไรที่สมมติว่าเราปาลูกบอลไปถึงฝาผนังนี่คือการกึกการเคลื่อนแต่ทํายังไงที่จะก่อนที่จะถึงฝาผนังเห็นก่อนที่จะปกระทบเจ้าค่ะ พออย่าไปอยากมันก็ไม่มีอะไรมากระทบพออยากปั้บมันก็เพิ่มขึ้นม า, าทันที <c oughs> ที่ถ้าไม่อยากก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์เจ้าค่ะทุกอย่างที่เราอยากเป็นทุกข์เราก็จะได้ไม่อยากพอไม่อยากมันก็จะไม่กระเพิ่ม <c oughs> <c oughs> อืมเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าเป็น ห้องปู่ใหอยู่ที่ไหนอ่าตามสบายนั่งตามสบายเดี๋ยวจังถามต่อคำถามจากคุณยุกล่าวนมรส ก, การเจ้าค่าะภูมลาลัยที่ญาติโยมได้ถวายพระไปกับเครื่องธยธรรมนั้นหนูได้ขอภูมลาลัยนั้นต่อจากลูกศิษย์พ่อแม่ ลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนําไปบูชาแต่หนูไม่ได้ขอจากพระโดยตรงในกรณีนี้หนูจะมีกรรมหรืหรอบาปติดตัวหรือไม่เจ้าคะเพราะมีป้าเขาเตือนสติหนูถ้าอยากได้ต้องไปขอกับพระไม่ใช่ขอกับลูกศิษย์มันไม่บาปแล้วแต่ว่ามันมันเป็นโลคความโรคแล้วก็เป็นความตนนนี ถ้าอยากได้ก็ไปซื้อมาเองไปบูชามันก็หมดเรื่องอันนี้บุูอยากจะบูชาแต่เสียดายเงินบูชาแบบไม่เสียเงินได้บุญน้อยกับบูชาแบบเสียเงินถ้าอยากจะได้บุญเยอะก็ซื้อซื้อเองแล้วก็เอาไปบูชาคําถามจะคุณสุพิดา <c oughs> ถ้าสวดมนต์อย่างเดียวไม่นั่งสมาธิ แต่ขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่ที่บทสวดมนต์ถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้แล้วพยายามน้อมจิตกลับมาที่บทสวดมนต์ใหม่ทุกครั้งแต่สวดมนต์จิตจะมีสมาธิมากกว่ามากกว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นทุกวันนี้ตื่นตีสาสวดมนต์ถึงตีห้าอยากถามว่าสวดมนต์อย่างเดียวไม่นั่งสมาธิจะสามารถถึงนิพพานได้ไหมเจ้าค ะ, ะไม่ถึงหรอก การสวนมนต์นี้ก็เป็นการสร้างสติถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่งสมาธิให้จิตสงบได้สมาธิก็ยังไม่ถึงนิพพานพอได้สมาธิแล้วถึงต้องไปทางปัญญาต่อไปพิจารณาอริยสัจ ส, สี่ตายลักต่อไปถึงจะถึงนิพพานได้คำถามเจ้าคุณบัวบูพาฝัน เนื่องจากรู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีสังขารปรุงแต่งเยอะมากชอบคิดปรุงแต่งโดยเฉพาะเมื่อมาปฏิบัติธรรมเมื่อหมาหอนตุกแกร้องใกล้ๆหน้าต่างก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งว่ามีผีและเกิดความกลัวทำอย่างไรจึงจะเลิกคิดปรุงแต่งจิตได้คะก็ใช้สติไงพุทโธไปว่ามันจะคิดก็พุทโธพุทโธไปแทนคาถามจากคุณพยักษ เมื่อเราตายไปต้องไปชดใช้เวรกรรมในนรกก่อนหรือขึ้นสวรรค์ก่อนครับแล้วแต่ว่าอันไหนมันมีมากกว่ากันถ้าบาปไม่มากกว่าก็ต้องไปชดใช้กรรมใช้บาป ก, ก่อนถ้าบุญมีมากกว่าก็ไปรับผลบุญก่อนคำถามจากคุณอนวัตขออนุญาตถามพระอาจารย์ถ้าเราซื้อสิ่งของหรืออาหาร ที่ลดราคา 50% นํามาถวายพระสงฆ์เราจะได้บุญ 50% หรือเปล่าครับก็เราจ่าย 50% แล้วก็เสียสละแค่50ถ้าอยากจะได้ 100% ก็ซื้อมันสองเท่านีก็จะได้ 100% ถ้าเราตั้งใจจะทำบุญ100บาทแต่ไปซื้อของก็ลดราคาแค่50บาทก็เราก็จะได้เสียเงินแค่50แล้วก็ได้บุญแค่50 ถ้าเราอยากจะได้บุญร้อยแล้วก็ซื้อสองเท่าอะจ่ายร้อยหนึ่งแล้วมันก็จะได้บุญเต็มเต็มร้อยถ้าจ่ายห้าสิบมันก็ได้บุญแค่ห้าสิบคําถามจากคุณพกาขอกราบนมัสการเจ้าค่ะกกาาไม่ช่วยสุนัขถูกวางยาจนสุดความสามารถอ้างว่าแพงเสียดายเงินทั้งทั้งที่ทําได้จะบาปไหมเจ้าค่ะใครวางยาไหมเข้าใจ คือน่าจะเป็นสุนัขถูกวางยาแต่เขาไม่ได้ช่วยจนสุดความสามารถค่ะถ้าไม่ได้ช่วยก็ไม่ได้บุญเท่านั้นเองแต่ไม่บาปถ้าไม่ได้ไปทําให้เขาตายแต่ไม่ได้ช่วยให้เขารอดเพราะว่าเราช่วยไม่ได้เต็มที่ก็ไม่บาปแต่ไม่ได้บุญเต็มที่เท่านั้นเองถ้าช่วยเต็มที่ก็ได้บุญเต็มที่ถ้าช่วยครึ่งหนึ่งก็ได้บุญครึ่งหนึ่ง คำถามจะคุณเกย์ป๊ถ้าเราถือศีลห้าโดยเฉพาะข้อห้าได้อย่างเคร่งครัดเราอุทิศบุญนี้ให้คนในครอบครัวพี่น้องที่ติดอบายมุกเขาจะได้อานิสงส์และลดละเลิกได้ไหมคะไม่ได้แ ร, ร้วศีลนี้ของใครของมันแบ่งให้คนอื่นไม่ได้ต้องรักษากันเองคำถามจะคุณกำพลเรียนถามพระอาจารย์ครับ ถ้าเราทำบุญกับเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์จะได้บุญเท่ากันไหมครับสำหรับเราเราได้เท่ากันนะเราทำร้อยหนึ่งกับเจ้าอาวาสทำกับพระรูปอื่นก็ได้บุญน้อยบาทเท่ากันแต่ประโยชน์ผู้ที่รับของเราไปนี้จะไปทำประโยชน์ก็ต่างกันเจ้าอาวาสอาจจะทำประโยชน์ได้มากกว่าพระลูกวัดเพราะเจ้าอาวาสมี มีพลังมีความสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าคำถามจากคุณใต้ร่มโพสีกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะในช่วงวระยะเวลาที่ปฏิบตัติเรากวรจะบันทึกการปฏิบัติของเราไว้ดีหรือไม่เพื่อการทบทวนการฝึกหรือว่าไม่ควรคะให้บันทึกสติไว้อย่างเดียวก็พอไปบันทึกมันก็ไปปรุงแต่งอีก ต้องการให้หยุดคิดก็ไปนั่งคิดว่าเราวันนี้ทําอะไรอีกเนี่ยอย่าไปบันทึกให้เสียเวลาให้หยุดบันทึกหยุดการกระทาอะไรต่างๆให้หยุดคิดให้ได้คำถามจากคุณดํารงเรียนถามพระอาจารย์ครับการที่พ่อแม่ครูอาจารย์ดับขันแล้วอัธิกลายเป็นพระธาตุและตอนที่ท่านยังไม่ดับขัน ผมเล็บฟันหนังจะกลายเป็นพระธาตุได้ไหมครับก็ไปถามท่านดูเลยไปคุณท่านดูบางคนก็เห็นว่าผมของท่านเป็นพระธาตุขึ้นมาที่ไปย่างขอผมครูบาอาจารย์กันก็พ่อคิดว่าผมขงท่านกลายเป็นพระธาตุได้หรือฟันเวลาท่านถอนฟันบางคนก็ไปขอฟันมา <c oughs> ที่มันไม่แน่หรอกเรื่องของอสารีราล่างกายมันจะเป็นพระธาตุตรงส่วนไหนมันแล้วแต่ คำถามจากคุณปราณีกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันได้บ้างไม่ได้บ้างถือเป็นอิทธิบาทสี่ไหมเจ้าคะก็อิทธิบาทสี่แบบได้บ้างไม่ได้บ้าง <laughs> คำถามจากคุณเกโพปการบวงสวงเป็นพิธีกรรมหรือเป็นสาระสำคัญของาศาสนาไหมคะพระอาจารย์ ของศาสนาพุทธนี่ไม่มีเรื่องบูงสวงเป็นของศาสนาอื่นที่เราไปยืมเข้ามาเพราะศาสนาเรามันไม่มีอะไรมันเลยต้องไปยืมของศาสนาอื่นมาศาสนาเราไม่มีพิธีกรรมอะไรต่างๆมีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาคําถามจากคุณรัชชาสา เคยได้ยินมาว่าการสวดมนต์แต่ละครั้งจะมีเทวดามารอฟังถ้าสวดบ่อยๆก็จะมีเทวดามาคอยปกป้องรักษาตัวเราเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกเทวดาจะมาหาเราไม่ใช่เพราะว่าเราสวดมนต์เทวดามาหาเราคุ้มครองเราเพราะเราเป็นคนดีเราทาคุณทำประโยชน์ให้แกผู้อื่นจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครอง ผู้ที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นคำถามจากคุณวิบูลเราจะเอาชนะความกลัวในจิตใจได้อย่างไรก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัวพอเริ่มคิดถึงผีก็หยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธไปให้คิดอยู่กับพุทโธความกลัวผีเงี้ยเดี๋ยวก็จะหายไปคำถามจากคุณปริชาต กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์รักไม่ทุกต้องรักอย่างไรคะรักแบบให้อย่าไปรักแบบเอาถ้ารักแบบเอาเราจะทุกเวลาไม่ได้แต่ถ้ารักแบบให้แล้วมันจะไม่ทุกเพราะว่ามันมันเราเป็นผู้ให้เราให้ได้ตลอดเวลาให้แล้วเราจะมีความสุขแต่ถ้ารักแบบเอานี้เราต้องรอจากคนที่เรารักให้เขาให้เราถ้าเขาไม่ให้เราเราก็จะทุกข์ <c oughs> คำถามจากคุณแบงค์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสง์ในการดูแลรักษาพระสงฆ์แบบนี้จัดเป็นการถวายสังฆทานไหมครับไม่หรอกเพราะเราไม่ได้ถวายให้กับสงเราถวายให้กับโรงพยาบาลถ้าเป็นสังฆทานก็ต้องถวายให้เป็นของสงไปที่เราก็ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลสงเป็นของสงหรือเปล่า ถ้าเป็นของสงฆ์ก็เป็นสังฆทานแต่อย่าไปกังวลกับมันมากนักเลยว่าจะเป็นสังฆทานหรือไม่สังฆทานขอให้มันเป็นทานก็แล้วกันขอให้มันได้ประโยชน์กับผู้ที่ควรจะได้รับประโยชน์แล้วเราก็ได้รับบุญจากการเสียสละของเราแค่นี้ก็พอแล้วคำถามจะคุณกี่ชาติ ผมขายของการที่พูดแนะนําลูก ค, ค้าให้เชื่อผิดศีลข้อมุสาหรือเปล่าครับถ้าโฆษณาชวนเชื่อก็ผิดนะแต่พูดตามความเป็นจริงก็ไม่ผิดนะ <c oughs> ของมันดีเรบอกว่ามันดีก็ไม่ผิดของไม่ดีแล้วไปบอกว่าดีมันก็ผิดนะ <c oughs> คำถามจากคุณมาริสาทําบุญแล้วลืมกรวดน้ําเราจะได้บุญไหมคะเราได้แต่คนที่จะรับบุญไม่ได้ คนที่จะรอรับบุญนี่เราต้องอุทิศบุญไม่ต้องกวดน้ําไม่ต้องใช้น้ําก็ได้แต่เราต้องอุทิศเราต้องเราลึกภายในใจว่าขอทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้เขาถึงจะรับได้แต่ถ้าเราไม่อุทิศก็เหมือนซื้อของมาแล้วไม่ส่งไปทางไปรษณีย์เก็บไว้ที่บ้านผู้รับก็จะไม่ได้รับแต่ผู้ที่ทําบุญได้บุญอยู่แล้วหมดแล้วเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ กำลังพิมพ์กันเข้ามาอยู่ถ้าไม่พิมพ์เข้ามาเดี๋ยวก็จะได้อ่ปิดร้านได้หมดลูกค้าเ๋ยวนั่งรอไปเรื่อยๆกันถ้ามีก็ถามไปเรื่อยๆถ้าไม่มีก็นั่งไปเรื่อยๆค่ะคำถามจะคุณกี่ชาติจิตอยู่ตรงไหนครับจิตไม่สัตไม่มีสถานที่ จิตไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีหน้าตาเหมือนร่างกายไม่ต้องใช้สถานที่เป็นที่ตั้งจิตอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นแหละอยู่อยู่ตรงนั้นเรารู้สึกเราคิดตร ง, งเราคิดเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าจิตอยู่ตรงที่ความคิดนั้นเรารับรู้เมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าจิตอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่การรับรู้อยู่ที่การคิดคําถามจากคุณบิลเบอร์รี่ การร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นจะได้บุญเท่ากับผู้ที่เขาทำบุญเองร้อยเปอร์เซ็นไหมคะอ๋อมันเป็นบุญคนละอย่างกันนะมันไ ม, ไม่เราไม่ได้บุญแม้แต่บาทเดียวจากการที่เขาทาบุญร้อยบาทของเขาแต่เราจะได้บุญจากการที่เราชื่นชมยินดีกับการทำบุญของเขาแทนที่จะไปมีความรู้สึกไม่ดีกับเขาเช่น อาจจะคยๆว่าน้อยใจเราไม่มีเงินทาบุญกับเขาหรือว่าอิดฉากเขาเห็นเขาทำบุญเราไม่ได้ทำบุญเนี่ยถ้าเราอนุโมทนาเราก็จะกำจัดความรู้สึกไม่ดีเหล่านี้ไปมัน บ, บุญคนละบุญกันคนละเรื่องกันคนละอย่างกันมีไว้เพื่อให้เราไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องมาอิดฉากลิสยา หรือไม่ต้องมาเสียดายเงินแทนเขาบางทีเป็นเงินของคนอื่นแต่ท่าก็ทําแล้วกลับไปเสียดายแทนเขาทําไปทําไมยิ่งถ้าเป็นเงินที่เราอาจจะมีส่วนได้คือเป็นเงินของพ่อแม่นี้ถ้าพ่อแม่ไม่ทําเราก็จะได้เป็นมรดก ข, ของเราบางทีก็พยายามร่วมมนุโมทนาด้วยเพราโกรธเดี๋ยวหมด เดี๋ยวแม่เอาไปทําบุญหมดนะ ก, กูเวลาตายไปไม่มีเงินทิ้งให้กูเลยเนี <laughs> ่ยพวกนี้ต้องอนุโมทนาบุญจะได้ไม่รู้สึกเสียใจเราจะได้ไม่มีอคติต่อพ่อต่อแม่ <laughs> บางคนมีอคติต่อพ่อแม่เวลาพ่อแม่ทําบุญก็เสียดายเพราะถือว่าเป็นมรดก ข, ของตน <laughs> ยิ่งถ้าพ่อแม่ทําบุญเยอะๆบอยจากที่ร้อยล้านอย่างนี้โอ้โหโลูกนี้จะเป็นลมเย <laughs> แทนที่จะอนุมโมทนากับเป็นลมพ่อแม่ทำไปทำอย่างนั้นไม่คิดถึงลูกบ้างหรือไงเนี่ยพ่อแม่อนุมโมทนาถ้าอนุมโมทนาก็จะมีความสุขไปโอ้พ่อแม่เราทำบุญดีใจกับพ่อแม่พ่อแม่จะได้ไปสวรรค์นหน้าอาันนี่ไม่นี่คือบุญคนล้อย่างกันคำถามจากคุณวิชยัยผู้ทำบุญได้บุญโดยอัตโนมัติใช่ไหมเจ้าคะ เ, เหมือนผู้กินข้าวนะผู้กินข้าวก็ได้ความอิ่มโดยอัตโนมัติบุญก็คืออาหารของใจนี่ทำบุญแล้วใจอิ่มใจสุขใจสบายใจมีความภูมิใจนี่คือบุญหมดแล้วเหรอมีอีกค่ะถามไปเรื่อยๆคำถามจากคุณฟูถ้าเราทำบุญอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเราจะเหลือบุญอีกไหมครับอ๋อบุญเราไม่ได้ให้้าหมดส่งไปได้บางส่วน เหมือนกับซื้อของมาแล้วเราก็แบ่งใส่บาทนี้แบ่งส่งไปให้ผู้รงรับไปแล้วบุญส่วนใหญ่ยังอยู่กับเราอยู่เป็นของเราอยู่เพราะธรรมชาติของบุญอุทิศนี้อุทิศได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มากเท่ากับบุญที่เราได้เองอคำถามจากคุณกิฟถ้า ถ้าเราจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรพบชาติอื่นเราไม่รู้ชื่อเขาจะได้รับไหมครับถ้าไม่รู้ว่าเป็นใครเขาจะได้รับยังไงก็อย่าไปแค่มันไกลนักเลยเอาแค่เฉพาะคนใกล้ๆเราก็พออะไรวะ <laughs> เวลาจะอุทิศทีเอามันกี่แสนชาติที่ผ่านมาอย่างนี้เลย เอาเฉพาะคนที่เราคิดเรารู้จั ก, จกคิดถึงเขาก็พอแล้วนะคนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายที่เรารู้จั ก, จกแค่นี้ก็พอแล้วหรือจะสายว่าสรรพสัตว์ไปก็ได้ะถ้าอยากจะ อ, อุทิศอก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ยกให้เป็นสรรพสัตว์ไปใครอยากได้ก็มาเอาไปมาแบ่งไปคําถามจากคุณอวยชุติมา ไม่ใช่ขอโทษค่ะคำถามจากคุณพิมพ์ชนกวันที่เราจะถือศีลแปดจำเป็นต้องใส่ชุดขาวตลอดทั้งวันด้วยหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เราอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ที่ที่เขาบังคับให้ใส่ก็ต้องใส่ถ้าอยู่ที่ไม่บังคับก็ไม่ต้องใส่แต่อย่าไปใส่เสื้อผ้าแบบสีฉูดฉาดอย่าไปใส่เสื้อผ้าแบบเข้างานสังคมต้องการให้อยู่แบบเรียบง่ายไม่ให้มาวุ่นวายกับการเสริมความงานทางร่างกาย คำถามจากคุณชาญเวลานั่งสมาธิจิตนิ่งแล้วต้องพิจารณาอะไรต่ออีกครับไม่ต้องเวลานิ่งให้มันนิ่งนานๆให้มันนิ่งไปจนกว่ามันไม่นิ่งถ้ามันไม่นิ่งแล้วถ้าอยากจะให้มันนิ่งต่อ ก, ก็ทำให้มันนิ่งต่อถ้าไม่อยากจะทำให้มันนิ่งอยากจะพิจารณาทางปัญญาก็พิจารณาได้คำถามจากคุณพนมพรขอโอกาสครับ ตอนนี้ภาวนาไม่สงบครับเหมือนภาวนาแล้วยังฟุ้งซ่านเป็นเพราะเราคาดหวังว่าต้องสงบเหมือนเราเคยสงบมาก่อนขอวิธีแก้ครับเป็นเพราะไม่มีสติปล่อยให้ใจไปคิดต้องใช้พุโทโธพุโทโธหรือ ด, ด, ดูลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้น คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์เรานั่งสมาธิเวลาทุกขเวทนามาเราควรดูทุกนั้นหรือเราควรมาดูที่จิตที่มีเวทนาเจ้าค่ะไม่ควรดูทั้งสองอย่างให้มาดูที่พุโทโธแทนมาอยู่ที่คําบริกรรมแทนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าไปดูมาแล้วเดี๋ยวมันจะอดที่จะอยากไม่ได้อยากจะให้มันหายเจ็บไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปสนใจมันเวลามันโผล่ขึ้นมา ให้มาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธบริกรรมพุโทโธไปคำถามจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเมื่อเราฟังอะไรเข้าใจแล้วทางธรรมหมายถึงตัวรู้รับรู้หรือตัวคิดมีความคิดถูกครับอย่าไปสนใจเลยขอให้รู้ก็แล้วกันขอให้เข้าใจก็แล้วกันไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าตัวไหนมันตัวเดียวกันนะ่มัน คำถามจะคุณกำพลเรียนพระอาจารย์การทำบุญเป็นประธานถวายกะถินจะได้มากกว่าเราทำบุญกะถินเท่าที่ทำได้ไหมครับอยู่ที่ว่าจ่ายเท่าไหร่เป็นประธานจ่ายน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นประธานก็ได้บุญน้อยกว่าคนที่จ่ายทานมันอยู่ที่การเสียสละของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ตำแหน่งของบุญของการทำบุญว่าเป็นประธานหรือเป็นกรรมการ หรือเป็นอลูกจอกอยู่ที่ว่าใจเท่าไหร่ใครฝากกระเป๋าเท่าไหร่ฝากมากก็ได้มากฝักน้อยก็ได้น้อยคําถามจะคุณเจนจิราทําจิตให้ข่าวรอบทําอย่างไรคะไม่รู้เหมือนกันเพิ่งได้ยินวันนี้ทําให้ขาวรอบลองไปค้นหาดูเีอะมาแปลว่าอะไรขาวรอบ คำถามจากคุณพรศิริกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะเคยทําให้แม่เสียใจแต่เรายังไม่ได้ให้ท่านอโหสิกรรมให้เราท่านเสียชีวิตไปแล้วเราจะทําบุญแบบใดให้ท่านอโหสิให้เราคะก็ก็กล่าวคําขอกมาไปในใจท่านจะได้รับหรือไม่รับก็แล้วแต่เนี่ยถึงบอกว่าถ้าทำอะไรผิดให้รีบขอกมาเสียตั้งแต่ยังทําได้ เพราะถ้าตายแล้วทำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแต่การขอขมานี่ยไม่ให้ทำแบบพ<อ>ุพ<อ>่าเพลื่อเพราะพอทำแล้วทำผิดก็ขอขมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำใหม่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการขอขมาการขอขมาก็คือจะหยุดทำจะไม่ทำอีกต่อไปถึงจะขอขมาถ้าขอขมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปทำแบบเดิมก็อย่าไปขอขมาให้มันเสียเวลา <c oughs> คำถามจากคุณชาดากราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะบุญจากการอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วแต่เขาแต่ถ้าเขาไปเกิดแล้วบุญนั้นจะถึงเขาไหมเจ้าคะ่ะไม่ถึงถ้าเขาเกิดแล้วเขาก็หาบุญของเขาเองได้หาความสุขของเขาเองได้คำถามจากคุณโก้ก ร, บราบพระอาจารย์ตัวจิตเองทําลายตัวจิตเองได้ไหมครับ ทำให้จิตทุกข์ได้จิตนี่แหละเป็นผู้ทําให้จิตสุขหรือจิตทุกข์แต่จิตทําลายไม่ได้จิตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะทําลายให้มันหายไปได้มันไม่เหมือนกับร่างกายแต่จิตนี่แหละเป็นผู้ทําให้จิตทุกข์เองหรือจิตสุขเองไม่ใช่ใครคนนั้นคนนี้มาทําให้จิตสุขหรือทุกข์แต่เป็นจิตเองเป็นผู้สร้างสุขหรือทุกข์ให้กับจิตคําถามจะคุณปพกาอีกครั้งนะคะ ปฏิบัติธรรมระยะหนึ่งและชวนพ่อปฏิบัติด้วยพ่อเริ่มคล้อยตามแต่แนะนําพ่อไม่เก่งกลัวผิดทางจะทําอย่างไรดีคะก็อย่าแนะนํเนีเอาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านไปเอาเทปเอาซีดีของกูบาจ่าให้ท่านฟังไปคําถามจากคุณอนาลโยเคยอ่านเจอในหนังสือ พระอาจารย์รูปหนึ่งเขียนไว้ว่าจิตของผู้เข้ากระแสจะมีลักษณะม้วนเป็นก้อนกลมเป็นจริงหรือไม่เจ้าคะไม่รู้เหมือนกันมีม้วนเป็นก้อนกลมได้ด้วยนะ คำถามจากคุณบิเบอรี่เวลาเดินจงกรมถ้าจิตเผลอฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องที่ผ่านมาถึงแม้ยังบริกรรมพุทโธอยู่ควรทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านคะก็ให้บริกรรมต่อไปอย่าไปสนใจต่อความคิดให้เกาะติดอยู่กับคําบริกรรมไปให้มีความตั้งใจบริกรรมมากขึ้นอย่าบริกรรมแบบใจลอยบริกรรมให้ ช้าลงก็ได้หรือให้เร็วขึ้นก็ได้เพื่อให้มันอยู่กับคำบริกรรมส่วนคำคิดมันจะเข้ามาก็อย่าไปสนใจคำถามจากคุณอูการเรียนกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการเวียนเทียนในวันมาคาบูชาเป็นการทำอามิสบูชาต่อองค์พระสัสดาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านได้บุญหรือไม่เจ้าคะ เป็นการปฏิบัติบูชาเพราะเป็นการเดินจงกรมแต่เราทำไม่เป็นกันเราเดินแล้วก็คุยกันรจริงๆต้องเดินแล้วให้จเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างใดอย่างหนึ่งใรทั้งสามอย่างเดินไปกับพุทโธธรรมโอสังโฆไปในใจไม่คุยกันทำใจให้สงบรือจะเอารอบแรกพุทโธก็ได้รอบที่สองธรมโมก็ได้รอบที่สามสังโฆก็ได้ รืยจะสวดพุทธคุณรอบแรกก็ได้สวดธรรมคุณรอบที่สองก็ได้สวดสังคคุณก็ได้หรือจะสวดทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณตลอดระยะเวลาเดินทั้งสามรอบก็ได้อย่าให้ใจลอยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าพูดออกไปทางวาจาอยู่ในความสงบกายวาจาและใจเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชา คำถามจากคุณวาสนา <c oughs> ร่างกายไม่พร้อมจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ชอบฟังเทศฟังธรรมมากเลยค่ะอย่างนี้จะเป็นบุญบ้างไหมคะก็ได้บุญจากการฟังธรรมแต่ยังไม่ได้บุญจากการปฏิบัติธรรมคำถามจากคุณจตุรนกลาบนมัสาการถามหลวงปู่ครับคนหรือสัตว์ที่รถชนตายอย่างนี้ เกิดจากกรรมในอดีตหรือไม่ระวังในปัจจุบันครับก็มีหลายสาเหตุไม่มีสติไม่ระวังก็เกิดอุบัติเหตุได้หรืออาจจะเป็นวิบากกรรมมาทำให้ตายก็ได้หรืออาจจะเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ได้มันมีหลายสาเหตุคำถามจากคุณชรินทิพย์ กราบเรียนถามพระอาจารย์คือแม่ดิฉันเสียชีวิตแล้วแต่มีเสื้อผ้าเยอะแยะถ้าดิฉันนําเสื้อผ้าแม่มาบริจาคให้กับคนที่มีความต้องการดิฉันจะน้อมบุญให้แม่ได้ไหมคะแม่จะได้รับไหมแล้วจะน้อมช่วงที่เรากําลังให้หรือน้อมตอนที่เราสวดมนต์ไหว้พระในห้องพระเสร็จแล้วดีเจ้าค่อให้ได้แต่จะอุทิศบุญก็ให้อุทิศตอนที่เราให้เสร็จแล้ว คำถามจะคุณบิวเบอรี่วิธีบริกรรมพุโทโธโดยวางฐานจิตไว้ที่บริเวณหน้าผากมีขั้นตอนทำอย่างไรและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตไปอยู่ที่หน้าภากแล้วค่ะอ๋อย่าไปไว้ที่หน้าผากให้ไว้อยู่ที่คําว่าพุโทโธให้จิตอยู่ให้รู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปรู้ที่หน้าผากที่หน้าท้องหรือที่ไหนให้อยู่ที่คําว่าพุโทโธให้รู้อยู่ที่พุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวหมดแล้วแหะโอเคดี